เ่พูดถึงหมาและสุนัขอาการเป็นสุนัขเป็นอย่างของสุนัขเป็นอย่างนั้นตอนที่ไปป่วยที่เจกาโก้ก็มีความรู้สึกว่าอาการที่เป็นอย่างนี้เหมือนสุนัขจริงๆทั้งๆ ท, ที่มีแรงอยู่เป็นปุ๊บปั๊บก่อนล้มฉับพลันก็คิดในใจก่อนที่จะหลับว่าอาการอย่างนี้อาจจะมาเชื่อของสุนัขที่เป็นไข้ก็ได้จึงหมอวันตรีเคยเตือนไว้กระจำปี เพราะว่าไอไวรับที่มาเป็นสุนัขอาจจะระ บ, บาดมาติดตรงพ่อได้คนสุนัขไปอยู่ข้างนอกแต่ย่างนั้นยังไงก็ทําไม่ได้เพราะไปอยู่ที่ไหนสุนัขมันก็ล้อมแต่วันไหนแกไม่เห็นรู้สึกว่าแกไม่สบายใจวันไหนไปเรื่องอาหารถ้าไม่ไปด้วยแกก็เหงาก็รวมความว่าสุนัขกกมันโลกยังไงไงก็แยกกันไม่ได้ะ้ก่อนจะหลับก็คิดว่า ก่อนจะภาวนาจะหลักคิดว่าไอ้เชื้อแห่งสุนัขที่สุนัขมันป่วยไวรัสไอ้คาว่าไวรัสนี่เขแปลภาษาไทยไปยังไงก็ไม่ทราบเขารักก็รั ก, กเขาด้วยคําว่าไวรัสเขาไม่ได้แปลไว้ที่ไหนก็รักที่ไหนก็รักอาตมาจะวินิจฉัยศาสท์ก็ถือต้องถือว่ามันรับไวไวนั่นหมายความว่ารับปรับกระล่มปุบขยับตัวไม่ได้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 เธอถามว่าสงสัยเรือาการโรคใช่ไหมก็กลับเรียนไดบอกว่าใช่วันนะญาโยมทั้งหลายญาเรียกว่าเรื่องฝันเธอก็บอกว่าเธอสงสัยเรื่องไวรัสใช่ไหมก็ตอบเธอว่าใช่เธอบอกคำว่าไวรัสเดี๋ยวจะเชื่อโรคประเภทนี้มันมาทางอากาศแล้วก็โรคที่เธอเป็นนี้ก็เป็นความจริงมันก็เป็นเชื้อที่มาจับกับสุนัขแล้วจับกับหมา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 ตัวยาวใกล้ายแท่เดือนจะไม่ยาวมากยาวนิดหน่อยลักษณะการยาวกลมลักษณะที่สองลักษณะกลมกลมบ้องกลมมันกระสนลักษณะที่สามเป็นตัวเหลี่ยมแต่ก็ไม่ใช่สี่เหลี่ยมมันเป็นเหลี่ยมเหมือนขลามตัดแบนๆเลยมืนข้าวลามตัดเป็นเชี่ยวแบบนั้นลักษณะที่สี่ถ้าดีจำได้หัวโตๆแล้ก็เลียวไปนิดหน่อยไม่ยาว จากตอนการเข้าไปเป็นเกลียวแต่บอกว่าลักษณะที่เธอเป็นคราวนี้อาการของไข้จากไวรัสตัวเกลียวแต่ว่าไอไวรัสตัวเกลียวเนี่ยมันร้ายแรงมากว่าถามได้ว่าถ้าไวรัสมีลักษณะอย่างนี้การสูดเข้าไปทางลมหายใจหลอดคอก็ดีทั้งปากาก็ดีทางจมูกก็ดีเข้าไปแล้วมันจะทํำอะไรก็เหมือนกับละอองฝนที่ไปปะจุดใดจุดหนึ่ง ท่านบอกก็ไม่ใช่อย่างนั้นวันนี้เข้าไปเกาะกินเม็ดเลือดแล้วตามส่วนต่างๆของร่างกายทําให้ประสาทสุดโทมเล่นประสาทประสาทจะหมดกําลังในการเข้าไปมันมากก็ขอดูการเข้าไปมันอยู่ที่ไหนบ้างมันอยู่มากมายเหลือเกินก็ถามว่าไอ้แค่เข้าไปแตะอย่างนี้จะมีโทษยังไงมันไม่มีกําลังก็เลยบอกว่าเท่าที่เห็นนี่มันเป็ น, นเพียงเปลือกนอกของมันเท่านั้น จ ร, จริงๆแล้วเฉพาะไวรัสที่มันกินเธอมันเข้าไปทําลายเธอเวลานี้รูปร่งางลักษณะเป็นอย่างนี้ก็เห็นเป็นตัวมีหัวมันก็ห่อและมีขายาวมีก้ามแล้วมีเที่ยวหางแล้วก็หาง ย, ยาวๆหน่อยๆท่าทางเป็นสัตว์ที่มีความโดดไร้มากถ้าบอกเน้สล่าจริงๆเขามันเป็นอย่างนี้แล้วถามนี่นว่าการทําลายและป้องกันจะทํำยังไง ถ้าบ่กวิธีป้องกันก็ดีทำลายก็ดีวิธีของโบราณ น, น่นดีที่สุดแ ล, ล้วกราบเรียนถามนั่นว่าวิธีโบราณเขาทำยังไงนั่นก็บอกว่าคนที่มีความยากจนเขามีความยากจนแล้วก็อยู่ไกลไม่เคยไกลความเจริญไกลแบงไกลเงินเหรียญไกลทนบัต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 มันจะมีชีวิตยอยู่เพื่อการเลี้ยงคนจริงๆมันก็ไม่มีมุมันหนาวหามุ้มไม่ได้เจะของทำยังไงตัวเองก็ลําบากยุงกัดสุนัข ก, ก็ยุงกัดเจ้าวัวหรือควายเป็นพานะใหญ่ก็ยุงกัดในที่สุดก็ต้องสมไฟให้เป็นฟันลไยที่เป็นฟันลงเข้ามาในบ้านลงวัในอคอกวายไล่ยุง ควันหนาจริงๆยงทนไม่ไหวมึงกหนีไปอาการอย่างนี้ท่านบอกว่าคนที่ก็มีความร่ำรวย <c oughs> ที่าบอกเขาถึงความเจริญรกายเาบอกมันเป็นภัยควันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดโรคทางปอดเป็วันโรคเป็นต้นได้และมะเร็งได้ท่านบอกว่าแต่คุณค่าของควันมีประโยชน์ใหญ่มากนั่นคือทั้งป้องกันและทำลายแบคทีเรีย ก็นึกใจใจว่ามันจริงความจริงยังไงถ้าบอกควันเข้าไปถึงไหนตาไหนได้ควันหนาะแบตซีมแบต ท, ทีเดียที่นั่นตายหมดอยู่ในช่วงนั้นตายหมดถ้าลอยเข้าออมาใหม่ก็ตายอีกมันควันจะมันจะดึงดดวัตถุเรียที่อยู่ในวงใกล้ไม่กลนักเข้ามาเผาผลาญล้มตายหมดแต่ว่าถ้าไฟถ้าเป็นเปลวไฟถ้าเป็นเปลวนี้จะเป็นช่องว่าทําลายเม ท, ท, ทิเรียได้ดีมากท่านก็บอกว่าอยาวไฟไปจจมบ้านนะ ยิ่งแก่สมไฟเป็นเปลวเป็นเปลวแบตเตอ ร, รีจะลงมาตายมากดับดึงแบตเตอรี่ไกลๆอากาศจะเกิดการช่องว่างหรือว่าอากาศว่างไม่น้ำแน่นไปด้วยตัววัตเตอรี่ที่ยัดเยียดกันความว่างเกิดขึ้นอากาศก็มีการเคลื่อนไหวนั่นคือลมลมมาแล้วก็ดึงแบตเตอรียต่างๆที่ไหล ย, ยมไม่ไกลเกิดไปนักลงในกองไฟแบตเตอรี่ก็ตายหมด ถ้า ห, หมดโลกเหมือนก็ได้หมดในช่วงนั้นต่อมาเมื่อเปลวไฟหมดเจ้าของก็เอาของเติดเปียกชุ่มชุมมาโปะทับเข้าฟันก็เกิดตอนนี้ก็ทําลายวัตเตอรี่อีกตอนหนึ่งรวมความว่ทาท่านบอกวิธีของโบราณแต่ก็อยู่ไกลไม่เคยไกลความจเจริญจะไกลแบงไกลธนาบัตรไกลเงินไกลทองเพราะมีความยากจนเขาไม่มีความรู้ในการทําลายแบตเตอี่ ไม่รู้จักคําว่าแบเทีเรียคืออะไรแต่ความจริงไม่ใช่แต่โบราณนะอาตมาเองก็โบราณเจ็ดสิบปเศษไม่ไกลนักก็ยังไม่รู้จักแบคทีเรียเลยรูปร่างจริงๆเป็นยังไงเพิ่งเห็นตอนพระทนายฝัน่ฝันพระตัณฐีให้เกาเห็นมันเต็มไปหมดและในสุดก็ไทราบวิธีป้องกันและทำลายตามความรู้สึกในความฝันในคราวนั้นท่าบอกว่าเวลานี้หมอมาแล้ว เตรียมเครื่องสวนปัสสาวะมันเอื้อมมากับพยาบาลเธอตื่นสักทีลืมตาได้หมอมาพระก็หายไปสะดุ้งตัวตื่นก็มองเห็นมาออหมอมาพอดีหมอกําลังกราบก็จึงลุกข้นมาคุยกับหมอด้วยความเพียงบอกหมอว่าจะสวนปัสสาวะแต่ว่าตอนนี้เรื่องปัสสาวะมันหมดไปก็ไม่มีการที่ต้องสวนกันอีก แล้วก็ลืมบอกหมอก็คุยกับหมออาการที่คุยกับหมอวุฒิชัยนี่เธอคุยเก่งเป็นคนน่ารักชื่อวุฒิชัยแล้วก็วงสรรวงสรรก่อนแล้วคนนี้คุยเก่งมีท่าทางสุภาพเรียบร้อยจริยาดีเข้าถึงคนดีมากถ้าพูดภาษาชาวบ้านได้ประชาสัมพันธ์ดีและสังคมดีคนนี้ขอสัตเสริญ ว่าคนนี้ไปอยู่ที่ไหนคนไข้าตายยากเธอดีมีเวลาการคุยดีมากสร้างความตัดสินสร้างความเชื่นใจจิตวิทยาก็สงูงเมื่อเธอมาแล้วก็คุยกันแทนที่จะบอกให้หมอสวนบอกการเจ็บปวดก็ลืมเห็นหน้าหมอก็ถามหมอว่าคุณหมอเออไอไวรัสนี่ยมันเป็นยังไงนะฉันอยากจะทราบ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 เออบอกหมอว่าเออเมื่อกี้ฉันฝันไปฝันไม่เห็นจําได้แค่รูปร่างลักษณะที่คุณหมอบอกไว้กันแต่ความจริงมันมีมากในกุฏิฉันนี่เต็มไปหมดข้างนอกก็เต็มหมดถามเรงวิธีป้องกันคุณหมอก็บอกว่าวิธีป้องกันหรือวิธีทําลายแต่ว่าคุณหมอจะไม่บอกก็ไม่ทราบเป็นกันลืมไปนี่เวลาป่วยเวลานี้มันก็ใกล้จะตีสามแล้ว ถึงวิธีทำลายหมอคงไม่ได้บอกหรือถ้าบอกก็ลืมถ้ารวมความก็คุยกันเรื่องไวรัสคุยกันไปคุยมาก็เลยบอกหมอเมื่อกี้ฉันฝันไฟซึ่งพระท่านบอกว่าวิธีโบราณดีที่สดุดนั่นคือฟันไฟและเปลวไฟคุณหมอก็บอกว่าเอ๊ะที่โรงพยาบาลผมไม่รู้จะสมตรงไหนดีก็เลยบอกว่าไม่ได้บอกให้หมอไปไล่วิทีนี้ เป็นว่าฉันฝันไปไปอย่างนั้นแต่รูปร่างและลักษณะบางเอื่มันเหมือนกันก็คุยกันไปคุยมาเวลาก็มากไปเกือบชอั่วโมงคุณหมอก็บอกว่าหลวงพ่อครับอาการของโรคมันเป็นก่อดมันเป็นแล้วก็อาจจะเป็นใหม่ได้และสาหัสอาจจะเป็นใหม่ได้เธอก็ทนการมาของเธอแล้วบอกว่าการจะสวนการเปลีเวลาเสียไปมากจะสวนดีหรือไม่สวนดีก็เลยบอกคุณหมอกว่า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 น่าจะมาเป็นพระแก่ที่บรรดาแทนพุทธบริษัทก็เลื่โมหงอยคนอื่นเวลานั้นร่างกายรู้สึกมันดีขึ้นอาการปวดต่างๆก็คลายตัวเมื่อหมอรอกรากลับไปแล้วก็บอกให้พรนุชขึ้นคงดีว่าลองสมไปในห้องนี้พระทจะแนะนําไว้ใช้ถาดใส่น้ํารองเอาเตาฐานมาตั้งบนถาดมันน้ําที่มีน้ําแล้วก็ถ่านใส่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 การป่วยเขานี้ดีมากบรรดาท่านพูทบริษัทเวลานั่งรับแขก ค, คุยบางคนก็สังเกตได้ว่าป่วยบางคนไม่สังเกตก็ไม่ทราบบางทีกําลังไอยอยู่แก๊กแก๊แก๊มีบางท่านถามว่าหลวงพ่อสบายดีหรือครับก็น่าสลดใจคนเดินไม่ไหวจะเดินขึ้นไปก็ต้องมีคนประคองแล้วก็เสียงก็ไม่มีกําลังไอแค๊ะแคก็ถามว่าสบายดีหรือก็ เรื่องธรรมดาของค น, นงบรรดาชนพนักงานสัทคนที่มีความรู้สึกรอบครอบความมีลืมความรอบครอบความมีเป็นของธรรมดาถ้าโดยตามธรรมดาแล้วถ้าไอายอยู่ก็ไม่น่าจะถามว่าสบายดีหรือถ้าคนไอสบายชาวบ้านก็อยากไอกันหมดวิธีทํำไอมันก็ไม่ยากแต่ว่าใครก็ไอทีไรเขาหาทางกําจัดกันมาห น, นั้นเมื่อเธอทําอย่างนั้นแล้ว ตอนวันลุ่งขึ้นอาตมาก็กลับเมื่อการป่วยคา น, นี้กลับมาที่ไรนอนแบบทุกทีสงน้ำเสร็จฉันยาเสร็จก็นอนฟุบไปเลยอย่างดีก็จากห้าโมงยินพอจะคลายตัวลุกได้สองทุ่มบ้างสี่ทุ่มบ้างมันก็ไม่ไหวจริงการเดินก็ต้องประคับประคองขาก็แกว่งหัวก็หนักมันก็มีการหมึนงงตาก็ลายท่าพราวไปหมดแรงก็ไม่ดี ยินีคิดว่าการตายแค่คราวนี้เป็นของดีที่สุดแต่เราก็ไม่มีสิทธิในการฆ่าตัวตายหลังจากนั้นหลังจากล้างปัสสาวะแล้วของเวลาเล่าลัดเวลามันเหลือไม่มากเ ล, าล่าลัดไปว่าการใช้ยาก็รู้สึกว่ามีการคล้องตัวอาการโรคคล้องค้างเบาเบามันจะน้อยแต่น้อ ย, นอ ย, นอยจนว่าทั่งต่อมา ก่อนหน้านี้สี่วันนี่วันนี้วันที่สิบห้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยสามสิบวันที่สิบห้าวันที่สิบสี่วที่สิบสาวันที่สิบสองหรือวันวันที่สิบสองแล้ววันที่สเอ็ดทำไมสาบจำไม่ได้วันนั้นตอนยินก่ <c oughs> อนอาบน้ําก็มีเสียงบอกสั่งอาหารวันพรุ่งนี้ฉันข้าวเวลาเพลินให้ใช้อาหารแบบนี้นะแต่ความจริงข้าวม็ ข้าวสวยบรรดาทนพุทธบริษัทฉันไม่ได้มานานมันฉันได้วันสงวันพอฉันได้บ้างปเป็นไม่ก็สวยก็ต้องเลิกไปฉันจะนน้ำข้าวต้มบ้างฉันเส้นบุนบุนเส้นต้มแทงข้าวบ้างก็รอชะลอชีวิตกันทีสบ้ายเขาไม่ทํากันวันนั้นท่ามาสั่งฉันก็สั่งฉันข้าวให้ทําอาหารพิเศษนั่นคือทาน้ําปลาผสมน้ําปลาก็มีอะไรบ้างไปซับหนึ่งน้ําปลา แล้วก็สองเห็ดดองแล้วก็สามมือกะเทศอะไรบ้างก็ไม่ทราบจำไม่ได้พราะนั้นก็จําได้พราะนั้นก็จําปีไปไม่คั่วจําได้เขาทําให้ก็ไปพุกข้าวกินรู้สึกวา่ามันก็มีรถมีชาติทั้นเข้าไปได้ตามสมควรไม่มากนะักต่อมาเขาค่อยจะวีดีขึ้นท่านก็มาสั่งอาหารทุกวันเมื่อก่อนนี้ท่านยาสั่งแล้วต่อมาก็พระสั่ง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 ตามธรรมดานแล้วเดินหน้าโกติก็ไม่ไหววันที่สิบสี่นอนลงไปห้าโมงเย็นอาบน้ําสัญญาเสร็จก็นอนถึงหกโมงเย็นใช้ภาษาโบราณอะไรกันนะไอสิบห้าเลยค่ะเจ็ดรายการไม่เอาละหนีหาใบหวยถ้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นมีความรู้สึกว่ามีการขับถ่ายเข้าส้วม้าเข้าไปส้วมเสร็จถายเสร็จล้างส้มแล้ว ก็จะกลับเข้ามาที่นอนก็มีเสียงบอกว่าให้ขึ้นไปชั้นสีอาตอมานอนชั้นสามแล้วถามเสียงว่าจะขึ้นไปไหวหรือแค่เดินชั้นนี้ท่านก็แย่แล้วการจะขึ้นจะลงพระก็ต้อมาคองจะผ้าอ น, นันต์ห่างตัวไม่ได้ต้องคอยจับขึ้นมาแมงมันจะหล่นบันไดเดินก็ส่วนจะลมพาะอนนื่นท่านก็ห่วงแต่ว่าท่านอยู่ไกลพระอ น, นันต์อยู่ด้วย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 พอเดิน อ, อากาศ ก, ก็ร้อนลมหยุดต้องเข้าไปในห้องหนีความร้อนประโลมความว่าวันนั่นรู้สึกมีแรงดีอยากจะทํางานแต่ทำไม่ได้มากหยิบโ น, น่นถ่ยนี่นิดหน่อยไม่มีอะไรหนะักแค่หยิบของ ข, งข้างข้างตัวมันรบกงรังเท่านี้ก็เวรนิสแตก็ลงตัวลงนอนมีก็มีป่วยมานานแล้วเพิ่มมีอีกครั้งคือคืนวันที่สิบสี่วันแรกที่นอนรวดเดียวจากระยะหกทุ่มตื่นตีสามครึ่ง แล้วก็เท่านั้นแหละไม่หลับอีกทันานนัเป็นปีมาแล้วนะอนอนรวดเดียวขนาด น, นี้แม้จะนอนชั่วโมงสองชั่วโมงก็ต้องตื่น <c oughs> แล้วก็อาการป่วยคราวนี้ดิพอตื่นขึ้นมาประมาณทีสามเก็อเก็อก็ยกมือไหว้พระนอนภาวนาคิดว่าไม่หลับอีกก็มีความรู้สึกว่าเห็นพระธรรมมาพระอะไรก็ตามนะเห็นพระธรรมมาจะบอกุณ จากวันนี้ไปอาการจะเริ่มคลายตัวแต่อย่าประมาทนะขึ้นชีวิา ก, การเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดามันจะเริ่มคลายตัวอาการที่คุณเป็นที่แล้วมาคุณสังเกตรหรือเปล่าว่าทวารหนักของคุณมันติดไม่อยู่แล้วนี่เป็นความจริงบันดาจาจพุทธบริษัทนอนชี้ไหลให้เขาล้างเขาซักกรรมมาตั้งแต่อเมริกาถ้าก่อนหน้าไปอเมริกามันเ น, วนื้อรเด็ก อ, อ, อจริง เปขนมาก็อจาระมันก็เปิดอยที่นอกเนี่ยท่านบอกถ้าวานหนักแม่เปิดอาการอย่างนี้แปล ก, การเรงความตายแต่ว่าฉันก็ดีท่านนางหลายก็ดียังให้เธอตายไม่ได้พยายามทําทุกอย่างเพื่อความเป็นอยู่ของเธอแต่ทางนี้ไม่ต้องการเธออยู่เฉยๆฉันต้องการงานของฉันงานของฉันยังมีเวลานี้เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ร่างกายจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นแต่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานักต้องป่วยควรนักต้องป่วยแก่ต้องแก่เนื่อยต้องเนยต้องมีแน่ขอยตั้ง อ, อกตั้งใจช่วยกันคำว่าช่วยกันช่วยเพื่อทําความสุขให้เกิดกับคนสร้างความเข้าใจทุวให้เกิดกับคนแนะนำคำว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาทุกกเวรจน่ามีขนาดไหนบอกเขาให้ทราบแต่ว่ากําลังใจของเธอเป็นยังไงท่านถาม ก็กลาวเปลี่ยนท่านบอกว่ากำลังใจสบายมากมีความสุขท่านถามว่าป่วยทำไมจะมีความสุขก็กราบเปียนท่านบอกว่าที่มีความสุขไม่ใช่เพราะป่วยไม่ใช่มีความสุขเพราะการป่วยกัร่างกายเป็นความสุขที่เกิดขึ้นถ้าร่างกายนี้มันจะพังที่หมดทุกข์ในทันทีไอ้บ้านระยาหลังนี้แค่ร่างกายไม่ต้องการอีกแล้วมันมีทุกข์เต็มทุกข์ทุกข์ทุกข์วุก์ทุาข์ทุกข์ทุกข์ทุข์ทุกขที่ข์ทุกข์ทุข์ทุกข์ทุกข์ทุกขทุกข์ ฉันก็บอกว่าเธอคิดถูกแต่ยังคิดต่อไปไม่ได้ต้องช่วยกันก่อนพระบรรดาแทนผู้ถวายสัทก็อยุดกันแค่นี้ดีกว่ากัมั้งเวลานี้เสียงนิกาตีเทเล็กบริษัทตรงเตีงตรงเตีงตรงเตี ง, งมันจะใกล้ถึงตีสีแล้วมนะั้งเพราวะว่าไอ้โหลโทเลโทเลไปยังไม่ได้กินยาเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องกินยาฉันหน่อยจะประมาทมากเกินไปฮะก่อนที่จะจบกค็คำบรรดาแทนพู้ถวายสัทหลายพ่อมีคน อาตมากลา่าวเช่นนี้จะเทยวยกย่องท่านมาเกินไปนะมันยังไม่พอกับความดีของท่านหลายทุกคนช่วยทุกอย่างต้องการอะไรมีความขัดข้องอะไรช่วยทุกอย่างไม่ใคยขัดของบางคนแม้แต่ยักเยียดจ้องเจียต้องสันจริงๆในชั้นสิงห์ก็พยายามช่วยความดีอย่างนี้หาไม่ได้แล้วชาติต่อไปถ้าเกิดใหม่จะหาคนดีอย่างนี้ได้หรือไม่ได้อย่างไม่แน่ แต่ที่แน่ๆก็เวลานี้ทุกท่านช่วยจริงถือว่าเป็นผู้ไม่คุณอย่างหนักการป่วยไข้มันสบายก็ช่วยกันในการรักษาโรคตัวออกมาไม่ได้ก็ส่งปัจจัยบ้างคนก็ถึงกับนั่งรถนั่งเรือมาดูอาการนี่เราด่าทุกท่านความดีของท่านเป็นอย่างนี้แล้วก็มีหลายคนคนประจำมีหลายจุดช่วยจริงๆการป่วยก็ช่วยกันการเงินการทองของใช้อาหารการอะไรพวกยามโมเดสง่งเขาในความประโยชน์แต่ไม่ยอมบอกชื่อ มาถึงก็แต่ไหวหลวงพ่อนี้ทำพ้นเย้าการนี้แต่ไหวเป็นส่วนตัวหลวงพ่อแต่อีกสองนี่ส่วนตัหลวงพ่อมันเปิดใหญ่มันเหลือใช้ว่าเข้าสงไปเป็นความดีของท่านแอรบรรดาพุ์บริษัททั้งหลายเวลาพูดนี่อาจจะบอกเขาจะลอกยากไปหน่อยเพราะลิ้นมันก็แข็งแต่ว่าอาศัยความดีของบรรดาธุ์บริษัทขอเทิดทุนความดีของท่านไว้ขอท่านหลายจงทรงความดีของท่านตลอดไปถ้าความดีที่สนันนิษฐานทงนี้ จงโดงนบรรดาท่านหลมีความสาเร็จทุกอย่างปรารถนาสิ่งใดก็าะดฉะนั้นทั้งความปรารถนาแล้ทุกคนจงเป็นผูช้ชนะความทุกข์ด้ว ก, การทั้งพวกในที่สุดนี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์จงมีแด่บรรดาแท้ประสาทสิ่จชนพรับฟังและอ่านรู้ทุกคนตัอดี่